I can't wait to see the love that I have to be I can't wait to see the light of the sun I can't wait to see a person in my eyes I can't wait to see my heart ฉันอาจเปรียงก้องจากคนที่ฉัน When I'm like in jail so teen โชว์เบรกที่ 3 แล้วนะครับกับช่วงที่เราคุยกันเรื่องสงกรานต์อย่างแต่แฟนแย่งไปเพื่อนแย่งไปอะไรอย่าง ไม้ถึงจะเข้าใจว่าเด็กๆมันใช่มั้ยแล้วก็สมมุติว่าเด็กๆมันเดินผ่านมาใช่มั้ยเค้า 8 ขั้นนี้ 8 น้อยใช่มั้ยแล้วจะแปฝั่งตรงข้ามก็ก็ 3 ปีแล้วเออ 3 อวย ถ้าคุณไม่มีเสื้อคุณไม่มีเสื้อคุณก็จะเราก็จะจับหน้าแล้วลงมาถึงหน้าอกนิดนึงเออถึงหน้าอกนิดนึงโดนหัว เออบายไม่ดูไม่ได้ดูรูปร่างไม่ได้ดูเข้าตายครับตรงนี้ไหนทําที่ไหนเนี่ยอันแบบไม่ตายแฟนหล่อนนะ รอทั้งกวนเลยรอทั้งกวนเนี่ยเราก็จะเราก็จะแปะไล่เออแบบตวัน ไม่ไหวเลยทั้งกวนเป็นอสุรกายมันเลยใช่ๆนะบางอืมเพราะบางตัวแบบโอ้วรนัฐน่าใจคนโดนพัดผิงเค้าโทรมาพี่น้องผมไม่มีเสียงนะนี้ใครเอ่อฮัลโหลอัจฉิกใคร ฮัลโหลเสียงไม่เข้ากดมาใหม่แล้วเข้ากดฮัลโหลฮัลโหลอ่าสวัสดีครับคุณเอกครับได้ยินเป็นไงคอดีอย่างลิอากุ๊กกำลังไม่ใช่คัด พี่ครับหมายถึงสายพระคุณโหนสายวิชิตสายสายวิชิตครับมีหน้าสมว่าร้องไม่ค่อยขึ้นเลยอ่ะเออเสียงเธอคีย์ไม่ได้เลยอือก็เลยขนาดเลือกเพลงไม้ตายอ่ะนะพี่โอ้โหแบบปิ๊กเป็นเพลงที่แบบคล้ายๆยังไงกูก็รอดเพลงไม้ตายนี่ข้างไหนสุดท้ายมันก็ไม่รอดเพลงอะไรเพลงอะไรมันเป็นเพลงเพลงอะไรวะเดี๋ยวก่อนนะ 1 1 มิดชิดใกล้คืนมัน แจกโอ้โหคือมันเป็นเพลงที่คิดว่ารักไม่มีวันตายของน้องโดมคน ที่ที่ร้องอยู่คือตอนแรกก็ยังงงๆเออครับกับคุณเต้ๆคุณเฮ้ยโอ้โห ตอนแรกคิดว่านักร้อง KPN ที่ไหนอืมขนาดนั้นเราเราง่วงแล้วๆไม่ใช่ร้องเพลงกันแล้วอีกเจ้าของบ้านนั่งเล่าผีไงแบบมาเป็นพลวนทั้งใช่มั้ยมี พอเค้าบอกว่าเค้าเจอเสร็จงงแบบคืนนี้กูสวยแน่อืมสุดท้ายแต่นอนอืมคือรู้สึกทัวอีกที กูยฝันไปว่ามีเด็กวิ่งเล่น 3 คนว้ายจริงเหรอเอาแล้วไงก็นี่เจ๊กุมารทองเค้ามากุมารทองนั่นแหละจะไม่ว่าจะกุมารทองฟันเพชรอันกุมาร บรรยากาศดีมากเธอบอกว่าปาร์ตี้ดีมากเดินหน้าเชแล้วตอนลงเรือแล้ว โฮมคาราโอเกะแล้วไปอยู่ในห้อง 3 บ้าน 8 บ้าน 3 คุ้งน้ําคุณกําพงใหญ่เออเค้าไม่เอาเออ on the floor on the ลุยคนลงตายอ่ะไอเหลืออีกละโอเคพักพรก่อนนะใช่ๆไปอ่าๆเดี๋ยวๆ ของอื่นเยอะแยะทําไมไม่ไปของอัมภาวาชื่อดีๆไม่ไปเข้าทําไมของ ก็คือมันมืดลุงนะถ้ามีไฟฉายแล้วก็เดินเข้าห้อง 2 ที่ต้นไม้ก็จะเจอตุ๊กตาขอ หมดสติดทาพิงแล้วไปพักผ่อนไอจากทับเอาแค่เข้าหน้าไปมั้ยจัดไปมั้ยเข้าหน้าโอเคนะครับพักกันนะครับ เขาจะมาเล่าเรื่องอะไรบางอย่างเดี๋ยวตอนนี้เค้าบอกว่าอะไรนะน้องชกชนน้องสาวเธอพี่น้องชกชนเค้าบอกว่าจริงกี้เรา พวกผมพวกเขาบอก แฟนของคนอื่นครับสมน้ําหน้าอาจจะรู้ความเห็นใจเออเสียงเครื่องกระดาษนี้นะโอ๊ยจะ 9 ลิตรขอโทษขอโทษๆวรนัฐ มันก็จะศาสตร์ใหญ่เลยทีเนี้ยเอาใหญ่เลยแล้วแบบอ้าอ้าสายก็สูงขึ้นเลยเออแล้วเสียงก็ครับครับคุณอะไรเอ่ยนุกกี้ครับอ๋อนุกกี้ อ๋อไม่ได้ไปครับพี่นอนตลอดใช่มั้ยอ่อนเหนื่อยนอนไม่ทําอะไรมันเหนื่อยทําอะไรมาโอ้ยก็เตรียมว่ามาปวดแล้วเรื่องลาวดีกว่าเออเมื่อกี้ไปลาวมากี่วันนะไปลาวมาอ่า 5 คืน 5 คืนเลย โอยหนุ่มหล่อเพราะมากหน้าตาดีมากเลยพี่ต้องไปอืมไม่ได้บ้างเปล่า อ๋อแล้วตู้โขกจบจบครับติดตํารวจตู้โขกตู้โขกเออเล่าศีเล่าศี ไม่รู้อ่ะรู้แหละก็เล่าเรื่องชีวิตวิทยาดีกว่าอ้าวเรื่องอะไรกัน เขามีมี EV ทั้งนั้นมีช่อง Mango TV เออคือที่บ้านน่ะไม่มีทํา Pink Mango Mango TV ที่บ้านไม่มีดูไม่ได้อ่ะ you นะงี้ทิปน่าจะเอาไปแล้วแล้วโอเคขอบคุณนะครับครับ จะไปเที่ยวลาวมาแบบว่าหมกของแพงด้วยอ้าวของแพงขึ้นจริงของแพงขึ้นมันไม่ใช่เหมือนเมื่อก่อนเออขอส่งรูปมาด้วยได้มั้ยรูป ครับสวัสดีครับปูใช่มั้ยใช่ๆครับปูครับโปครับกระปูนี่คืออะไรเอ่ยอ๋ออะไรนะครับ อะไรนะครับครับผมทํางานเพิ่งโจกกันเล่าเหตุการณ์วันนั้นเลยดีกว่าเกิดเกิดที่ไหนเมื่อวันนั้นไปศิรมแล้วก็คนมันเยอะมากก็ แล้วแต่ในห้องน้ําเนี่ยก็มีคนยืนฉี่อยู่ที่โถเนี่ยอืมเกือบแน่นทุกเอ่อมีครับน่าจะเป็นคนกลุ่มคนจีนนะครับอืม จะให้อมให้ครับอุ้ยข้างนอกนี่นะเค้าเมาเค้ากึ่งๆเมามึนๆนะเออต้องประมาณ 70% แล้วเออแล้วทีนี้เค้าก็อ่าผม เราเอ่อเรียกให้เขาช่วยเงี้ยครับอืมกลายเป็นว่าไอ้คนโถจริงๆเราก็ผม ที่ยังยังเต็มโถอยู่นะครับผมก็ช่วยหน่อยครับช่วยด้วยครับช่วยด้วย แต่ก่อนหน้าที่อืมเออมันจะมีเป็นประมาณน่าจะเป็นคนจีน 3-4 คนนะครับก็ลุมลุมแล้วบอกว่าจะอืมผมผม มันไม่ไม่ไม่ได้ใส่ว่าน่าจะเป็นอืมคนไทยแอบจีนแอบ อะไรนะครับพิมพ์พิมพ์ที่เช็คกับพี่ A เลยสิพิมพ์แล้วแล้วยังไงเราไม่เคยเจออย่างเออใช่มั้ยอืมไม่พี่ๆครับแต่ว่า ทำไมวันนี้สายอย่างนี้ด้วยเราอ่ะคือรู้ว่าเค้ามาขอครับก็โอเคต้องขอปอกแป้งอะไรทั่วไปก็ เขาว่าเอ่อมาปะแป้งอะไรอย่างเงี้ยมาฉีดน้ําใส่อย่างเงี้ยครับเออแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้แบบว่ามีสบตากันยิ้มให้อะไรเราอืมอะไรอย่างงี้ ไม่ลุงกระเป๋าเนี่ยเพิ่งจะไปจับของกระปู๋เออเข้าใจชัดเจนไม่มาเอาไปเอามาให้สับสน 14 ตัวคนรหัส 15 ครับรหัสใช่มั้ยแล้วคนที่อตกเยอะมั้ยครับมโหรานคนอตกเยอะครับแล้วแล้วแกะงานทั้งหมดไม่แล้วแล้วปู่เห็นมั้ยว่าเค้ามีทําอย่างงี้กับคนอื่นอีกมั้ยอะไรอย่างเงี้ยมีครับๆอันนั้นไม่รู้ มันโดนชะลวงเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ถึงกับโดนแล้วก้มเอ้ยรู้สึกแย่เอ้ยขนาดนี้เลยเหรอแล้วแล้วเค้าตัวใหญ่กว่าเราเยอะเลยเหรอเราอือแต่ว่าก็ ก็มีคนนึงอ่ะตัวประมาณเนี้ยครับอืมแต่หน้าไม่ประมาณนี้ออกไม่ครับแต่หน้าก็หน้าก็โอเคだว่าไม่น่าเออจะเล่นตัว บางทีก่อนหน้านั้นไปเที่ยวเอ่อคล้ายๆกันแต่เยอะกว่ากวางอ่ะเยอะมากกว่าก็เลยเหมือนว่าเหมือนสาวเออใช่จะ เป็นก้อยอ๋อไม่ใช่เป็นแบบมีนอเป็นสัตว์มีนอปกติ ก็ไม่บ่อยครับไม่บ่อยครับนานๆทีนานไปนานทีโอ้ก็ 2 เดือนน่า 2 เดือนก็กลับกี่ครั้ง 2 เดือน 3-4 ครั้งก็ บ้าคุณเรียน 3-4 ครั้งก็ไอ้ก็คิดเวลาอ่าขอบคุณนะครับน้องปู่มาเล่าให้เราฟังนะครับครับครับข่าวหน้ากัดมันหน้าผาจะโหนไปด้วยจะขนจะปิกจะจะโหนเดินเข้า ไม่เป็นไรเป็นไรไม่ต้องมากดหัวจริงๆเดี๋ยวเออๆคราวนี้คือเออจะไม่กินเอาของออกมาแล้วจะจะดึงถ่ายรูปเลยกัดเลยดึงขน ทำไมคนอื่นๆอ่ะเค้าถึงแบบว่าไม่ไม่มาช่วยหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยเค้านึกว่าเรากําลังมีกิจการบางเค้าเราสมยอมกับเค้าว่าเออแล้ว กันร้องของปูเนี่ยอาจจะแบบโอ๊ยช่วยด้วยช่วยด้วยนี่ช่วยด้วยช่วยด้วยแบบนี้หรือเปล่าแต่ถ้าเธอร้องช่วยด้วยครับช่วยด้วยช่วยด้วยเออโดดกันแกรกอะไรก็ว่าไปก็โดนอยู่ดีอ่ะก็ มันลมนะโอเคเออครับก็จะไม่เป็นตัวนี้ครับเออหมด 3 เบรดไม่เร็วมากพี่ๆกันน่ะเป็นคณะเออเป็นปู่ Bangkok Radio Formal <coughs> <coughs> โดยวิทยาแสงอรุณพี่ Listen to the song here in my heart a melody I started but can't complete Listen to the sound from deep within They will not be pushed aside and turned Into your own Oh, cause you won't listen แล้วเบรค 4 แล้วนะครับ 17 เมษายน 2554 นะครับครับรายการ Bangkok Project Foreman สามารถทําทุกอย่างสิ 301 ทาโทมนี่เบรคสุดท้ายเออน่า 4 ก็เอ๊ะโทรเข้า 023383589-90 นะครับเรา เอ่อแร็ปอัพกันก็มีหลายเรื่องนะครับโดนลากเข้าไปเออส่วนเดี๋ยวจะมีเออไม่มี น่ะบักซอยอะไรอย่างงี้เฮ้ยแต่จริงๆก็โรแมนติกได้เหมือนกันนะแต่ช่วงสงกรานต์จะเป็นช่วงที่แบบว่าพบเจอคนเออหรือไม่ต้องไป เดี๋ยวอัปเดตอัปเดตแฟนของโตเอออ๋อว่าไงบ้างอะไรประมาณโตเนี่ยก็ธนาคารธนาคารนึงเออ ไปติด Taylor ทําทําธุรกรรมธรรมดาอะไรนี่ 1 เดือนภายใน 1 ใช่ ญาติญาติของหรืออะไรสัก ใครใครขับรถแฟนต๋อแฟนของต๋อเนี่ยต๋อขับพาญาติของเออแต่ด้วยความที่แฟน ป่านี้ก็น่าจะหลับเพราะเขาเขาหลับอยู่ในใช่เวลานอนจะเวิร์ค 16 วันอ๋อเกิดอีกครั้งหรือเปล่าอ้าว ต้องฟังไปฟังย้อนหลังเอาหนุ่มถอดเสื้อเล่นสงกรานต์ 2 คนดูดีเอ๊ะเออนั่นน่ะสิแล้วคนเออแล้วทําไมแก้ปัญหา ซื้อคอมนะซื้อคอมใหม่นี่รายการแก้ปัญหาใครใครเอ่อโพกแล็ปท็อปอะไรๆขายดีก็เพราะ iPad 2 เลยเอออันนี้โฆษณาเจ๊ iPhone มันจนไม่ไหวแล้ว มีมีคนนึงคูลเอ่อคอลเล่านิดนึงเออว่าไงห่างจาก 100 เมตรเองอ้าแล้วยังไงล่ะตอน 5:00 ไม่ๆๆภาษาไทยก็ได้ก๊อปๆก็ WhatsApp ไงเออโอเค WhatsApp ใช่มั้ยๆๆ ต้องต้องถามเพราะจริงๆว่าเค้าอยู่ตรงไหนจริงๆเพราะมันดีเครื่องมันไอ้ 100 เมตรจริงเนี่ย 100 โอโหที่ก็คือเราไม่เคยเล่นไงเพิ่งเล่นพี่ดกลากกันไปแล้วก็จะถามบ้าคุณน่ะแหละซึ่งเนี่ยๆคุณผู้ชมไอ้คุณผู้ฟังบ้ากดบ้ากดฮีฮีฮีๆ เออเดี๋ยวเก็บไปก่อนนะครับบอกว่าเฮ้ยเจ๋ยเราเซิร์ชดูซิแถวผู้ฟังอีกท่านนึงนะบอกว่าคนเหงาวันอ่ะหลอได้อยู่นะโทรมาได้ มีความรู้สึกที่ดีขึ้นน่ะนะบาง Chris บางสิ่งบางอย่างเนี่ยคุณอยู่ เออเนาะแล้วเราก็จะมอบหนุ่ม 2 คนนี้ให้ไปถ้าคุณเออเค้า G R I N D R ก็ BlackBerry ก็ อ๋อนี่คือใช้ในไอคอนก็ได้นี่อยู่ในของเจนหมดหรอแล้ว 3-4 คนแต่ก็คลิกไว้ว่าอะไรในเฟเวอร์ริตใช่มั้ยอ๋อมัน ลิสต์มาเลยว่าอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนใครอยู่ตำแหน่งไหนตำแหน่งโนโนโนโนโนจะต้องตีนเข้าไปก่อนว่าอ๋ออันนี้คือบอกกี่ กก. 5 กก. 1.5 กก. อุ๊ย 1.5 กก. อืมก็วัน 1.5 100 1.5 เมตรน่ะเอ้ยเมตร 1.5 เมตรเอ้ย 1.5 เมตร ไก่ๆปากใช่แล้วล่ะ อืมเล่นเงินเออรู้ก็จอดได้ชื่อก็ไม่เออเค้าก็บอกว่าอุ้ยแล้วพี่น้องเออก็จริง เออมีอย่างเลยคลิกเฟเวอร์ลิสต์เต็มเลยใช่มั้ยมีการน้องคนนี้ที่ดูดิดูอ่าน่ารักอยู่น้องคนนี้นะน้องคนนี้ไปดูใครไงอืมก็ ใช้ได้ทั่วไปเหมือนกันได้ทั่วไปเหมือนกันอ๋ออ่าแล้วก็จะลงรูปการลงบ้างเราได้มีอ้าวแบกเบอร์รี่ก็จริงอ่ะไม่ต้องไป อ๋อแต่ก็จะคุยกันได้เฉพาะในแบ็คแมรี่จะคุยกันอ๋อก็เหมือนอ๋อก็เหมือนอ๋อใช่ๆๆๆใช่ ยังไงดีอ่ะยังมีความทุกข์ยังมีความทุกข์อยู่เยอะๆหรือเปล่าเนี่ยคือเค้าก็มั้ยอันนี้ก็ไม่ถูก ปกครองโดยทหารหรือกองทัพอยู่แล้วปกครองโดยเขาก็เลยเริ่มที่จะให้ข่าวหรือกองคือถ้า มันมันเป็นประเทศที่ปิดมากเพราะฉะนั้นการที่คุณจะเป็นเกย์ๆไปเนี่ยตั้งแต่ 4 ขวบนะครับแล้วเขาก็เป็นทุกข์มากถ้าคุณทินโซ ที่ชอบผู้ๆนะเป็นความซึ่งทินโซก็ได้ 3 เดือนก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะครับก็แล้วทินโซทําตามที่คนบอก HIV ซึ่งซึ่งผู้ติดเชื้อ HIV เนี่ย 3 เราเนี่ย 29% ก็ซึ่งพอพอ 3 ไปแล้ว <3 S 1> 29 อยู่นะครับเขาเลยต้องมา อืมทหารพม่าจะจับขังอันนี้จากข่าวที่ทินโซเขาเล่าอ่ะนะแต่ตอนนี้เริ่มก็เอ่อสมัยๆเนี่ยอ่ะแอบยิงอ่ะยิงมาที่เขาซึ่งทินโซก็ ปรากฏให้เห็นเป็นข่าวเพราะว่าจะถูก 3 นะครับอือครับอันนี้ อ่าทินโซนี่เก่งมากเลยคุณให้ข่าวได้ขนาดนี้แล้วเค้า แต่ไม่รู้ชื่อจริงด้วยหรือเปล่าจินโซเนี่ยอืมอ่าอ่าน้องแนนเค้าบอกเออเข้าใจนะเออจริงเนาะเราใช่ทําภาษาบ้าไง แล้วแล้วเค้าเค้ายังไงเนี่ยเค้าเห็นแต่รูปเค้าจะไม่ได้ดูแล้วก็ได้เค้าอาจจะเบื่อแล้วเนี่ยเห็นแต่รูปใช่แต่เค้าก็ยังพิมพ์เข้ามานะเห็นแต่รูปอย่างอุตส่าห์นะนาที ถูกต้องดิเลย์ค่ะใช่ลืมไปดิเลย์เออ 02 เออเค้าเกียด 02 338 3589 ถึง 90 นะครับคุณอันนี้ค่ะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าคุณพร้อมอืม มีข่าวนึงมีข่าว 2, 2> คนเนี้ยครับเป็น<น> 21 ปีอุ๊ยใครเอ่ยเป็น 2 คนซึ่งอ่าบ้านอยู่นิวยอร์กนะก็อยากมีลูกเอออืมก็ ตุ๊กตามาอ๋อนี้ไปตลาดฟรีมาร์เก็ตตลาดแบบตะตุจักเงี้ยตลาดการแข่งอยู่เหรอตุ๊กตาตัวนึงตัวมอมมากแบบว่าตุ๊กตาเด็ก พอตุ๊กตามาก็ชีวิตก็รู้สึกมีความสุขมากขึ้นเออก็ น้องดิกบี้เนี่ยเป็นโรงการนะครับแล้วก็ปรากฏเป็นตุ๊กตา Guys and Doll Guys and Doll ก็เออก็ตามนั้นตั้งชื่อ เออลงทะเลสนามลานนี่แหละปรากฏว่าไอ้เดินบลเลอร์เข้าพี่บิชอปไงพี่ชอปลอนดอนเนี่ยเห็นเห็นน้องดิ๊กบี้ เออมีค่าไปทําไมแอปหวานอยู่เหรอกลัวคนเหยียบเออโอ้โหกลัวคุณเล็กตายละไม่ว่างไม่ว่าง ไปวัดหลบไปไว้ค่ะทําบุญอะไรเงี้ยไป 2 คนเนี่ยนะใช่มั้ยก็เป็นไปไป 2 คน ผมมีการขึ้นเออขึ้นไม่ได้อีกแล้วคือมันเป็นขึ้นไม่เออคุณไม่ๆอยู่ล่างตลอดเออครับก็จะบอกว่าก็น่ารักดีนะชอบแล้วก็มีแล้วก็มีเรื่องอีกเรื่องนึงเออ แขกคราวเค้าก็ชี้มองเออเค้าก็ทําปากแบะแล้วเค้าก็พูดได้นะเค้าบอกคนไทยคนจีนเล็ก แต่ที่รู้จักมามีไม่แค่ไม่มีใครรับท่านหรอกนอกจากนอกจากพี่หนอกแค่นั้นว่าคุณน่ะดูซิประยงพี่หนอกได้ยังไงทําพูดทําให้เสียโลกไม่ๆแล้วเพื่อนของหนังเท่าไหร่เป็น พอนั้นก็แขกเค้าก็ไปรออยู่หน้ามือไงอ๋อเค้าก็บอกนอนเล่นแต่แต่ แต่เค้าก็คงอยากๆก็จะภูมิใจนะเออชอบโชว์ชอบโชว์จะ นี่มั้ยเนาะโอเคขอบคุณนะครับพี่เปลี่ยนน้ํา มันก็หลายเที่ยวมันก็สลักได้อะไรอย่างงี้อ๋อๆโอเคจะสลักปรับสวยแล้วกันใส่ขวดกระป๋องสไปค์ขวดโค้กไปแล้วกันนะเออสะสมโอเคขอบคุณ มีปัญหาโหลดคลิปย้อนหลังครับคลิปช่วง 1 2 สัปดาห์ที่แล้วไม่ได้อ๋อก็ก็หามาไม่เจอเออหายไป ถ้าหน้าตามไม่ดีจะ install ลอง uninstall แล้วก็ re install ออกอ๋อมานะลองดูนะเอาศิวาลัยออกใช่มั้ยแล้วก็ใส่เข้าไป อาจิเนี่ย YouTube หรือเปล่าเปล่าคําตอบก็ 100 นาที YouTube อย่างไรไรเออก็จะไม่ได้ขึ้นนะ Pink Mango นะครับให้นะ Pink Mango ได้เสาร์หน้าเหมือน คนเดิมๆก็ 2 ทางเจอพวกเราแล้วใช่น่าจะนัดน่าจะ วันนี้วันนี้ปิกกี้ไม่มาปุ๊เป้มา